แต่วันนี้ก็โยมว่านาคังทำบุญอุทิศส่วนกุศลมีปราสาดพึ่งตามโบราณนี่ที่เห็นปราสาดพึ่งหลวงพ่อเห็นก็เอออันนี้คือเป็นประเพณีของพื้นเพททางอีสานเวลามีผู้ตายไปแล้วก็สร้างปราสาดปราสาดพึ่งมีของใช้ต่างๆ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 ดูถูกเหยียดยามเขาใช้วาจา เ, เขาพร้อมที่จะปรับหมายใส่โทษพร้อมที่จะจับเข้าคุกเข้าตารางทั้งนั้นเพราะใช้วาจาแต่คิดจะเฉยเฉยนะยังยั ง, ย, งยังไ ม, ยงไม่ยังไม่มีอะไรถ้าพูดออกไปแล้วมีวมีเรื่องเ ก, เกิดขึ้นแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นการก ร, การกระทำการกระทํากรรมทําได้สามทางมนโนกรรมกายกรรมวิจีกรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะฉะนั้นให้สํารวมกายวาจาใจของตนเอง แล้วก่อนใช้หลักธรรมคําสอนเข้ามาสู่จิตใจของเร า, าเมื่อเราจิตใจของเรามีธรรมในจิตใจแล้วอยู่ที่ไหนอยู่กอยู่เถอะสงบพรมเย็นเป็นทุ ก, ทกแห่งหุ่นเพราะเรามีธรรมในจิตใจสัมมาทิฏฐิธรรม เ, เมื่อมีสัมมาทิฏฐิในจิตใจแล้วก่อนอากายวาจาก็เป็นสัมมาทิฏฐิไปด้วย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 ดำรงวงสกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะ่อย่างวันนี้พวกเราได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เมื่อท่านได้ล่วงลับไปเราก็ไม่รู้ว่าวิญญาณของคุณแม่บุญมีนะ่ไปสิงสถิตหรือไปตกอยู่ณถินใดพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่มีอะไรไมีแต่ความราลึกคิดถึง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 ก่อนที่จะตายพวกเราจิตใจไฝกุศลปิดใจคิดแต่เครื่องกุศลคิดแต่เครื่องบุญกุศลเข้าสู่จิตใจในเมื่อก่อนที่จะโคงสุดท้ายนั่นต้องคิดถึงกุศลเพราะเหตุายเพราะถ้าไม่คิดจุดนั้นจะคิดถึงถึงอะไรเพราะท่านบาเพ็ญมาทางกุศลพอแรงแล้วออข่าวนี้เป็นโค้งสุดท้ายของข้าข้าคงไปไม่รอดนะข่าวนีเอาบุญกุศลทั้งหลายทั้งมวลที่ข้าได้กระทามา